ข้อความในพระสุตตันตปิฎกพุทธกานิกายข้าขาวีสานสูตรในสุตตานิบาตเป็นเรื่องของคาถาของพระประเจกับพุทธเจ้านี่ยนะมาขึ้นในคาถาที่ยี่สิบแปดหน้าสองร้อยสิบสามได้ยินว่าใ น, พ, นรพระนครพาราณสีมีพระราชาพระนามว่าอานิวิตะเอออานิ วัตถพรหมทัตเท้าเธอนี้เสด็จเข้าสู่สงครามทรงปราชัยแล้วก็ไม่เสด็จกลับพระราชาแพ้ใช่ไหมแพ้แล้วก็ไม่กลับลนะหรือเพราะพระองค์นั้นทรงปรารบพระราชกิจอย่างอื่นไม่สําเร็จก็ไม่เสด็จกลับเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายจึงเรียกพระองค์อย่างนั้นพระเจ้าอักพระเจ้าอา น, นิวัตตะพรหมทัตนะนนเนี่ยนะอานิวัตเนี่ยแปลว่าไม่กลับพรหมทัตไม่ยอมกลับเหมนะนะั นี่ในวันหนึ่งพระองค์นเนสเดจไปสู่พระราชทยานก็โดยสมัยนั้นไฟป่าได้ลุกไหม้ไฟนั้นไหม้ไม้แห้งและวัตถุมีหญ้าเป็นต้นที่ตกหล่นลามไปแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกก็คือที่ที่ไฟมันไหม้แล้วมันก็ไม่หวนกลับมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันคือไฟเอ่อไหม้จนมอดเชื้อเนี่ยนะเมื่อไม่มีเชื้อแล้วมันจะกลับมาไหมอีกได้ยังไง พระราชาพอเห็นไฟนั้นแล้วทรงยังนิมิตอันเปรียบด้วยไฟนั้นให้เกิดขึ้นว่าไฟป่านี้ฉันใดไฟสิบเอ็ดอย่างก็ฉันนั้นเหมือนกันไฟป่ากับไฟคือชาติชรามรณาโศกกะปริเทวะทุกโทมานัสอุปาญาตรวมถึงไฟคือราค้าไฟคือโทสะไม่ต่างกันเลยไฟทั้งสิบอดอย่างเหล่านี้ไม่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ไม่กลับก่อทุกข์ใหญ่ให้เกิดขึ้น เชื่อว่าเมื่อไหรหนอแม้เราก็ไม่ให้ทุกเหล่านี้หวนกลับพึงเผาไหมกิเลสทั้งหลายด้วยไฟคืออริยมรรคญาณเหมือนไฟนี้ไปแล้วก็ไม่หวนกลับอันนี้เดินปกติเนี่ยนะของเราทั้งหลายแต่ละพบแต่ละชาตินั้นไฟคือชาติชรามรณะโศกปริเทวทุกโทมานตุปายาตเมื่อเผาไปแล้วมันก็ไม่ได้ย้อนกลับมา ก็ไม่มีใครย้อนกลับไปเป็นอย่างเก่านับหนึ่งใหม่เนี่ยนะก็มีแต่พบแล้วแล้วเล่าเล่าเป็นไปเรื่อยไฟแล้วก็ไหม้ไปเรื่อยไหม้ไปเรื่อยๆฉันใดไฟเหล่านี้ก็ไม่เคยหวนกลับไม่เคยย้อนกลับไปอีกกรว่าคือไม่สามารถถอยหลังกลับไปเริ่มต้นใหม่ตามเดิมอีกได้นะทีนี้ในขณะเดียวกันเมื่อใดโนจะเผาไฟเหล่านั้นด้วยอริยมัคคิยาน แล้วก็อริยมรรคยานที่เผาไฟเหล่านี้ได้สําเร็จโดยเฉพาะไฟคือราคะเผาไฟคือโทสะเผาไฟคือโมหะเผาสําเร็จแล้วไม่ย้อนไม่ต้องย้อนกลับมาเผาอีกเห็นไฟไหม้เนี่ยก็อืเจริญนิพพานได้แล้วนะพิจารณาได้แล้วเนะี่ยจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปอีกสักครู่หนึ่งเห็นชาวประมงทั้งหลายกําลังจับปลาในแม่น้ํา ปลาใหญ่ตัวหนึ่งติด ต, ตะข่ายของชาวประมงเหล่านั้นปลาตัวนั้นได้ทำลายตะข่ายแล้วก็หนีไปชาวประมงเหล่านั้นก็ร้องว่าปลาทำลายข่ายนี้ไปแล้วพระราชาเนี่ยทรงฟังคำนั้นจึงยังนิมิตอันเปรียบเทียบด้วยปลานั้นให้เกิดขึ้นว่าเชื่อว่าเมื่อไรหนาเราเพิ่งทำลายตะข่ายคือตัญหาและทิฏฐิด้วยอริยะมรรคยานไปแล้วไม่ติดขัดเหมือนกับปลา ปลาทำลายตะข่ายไปไม่ย้อนกลับฉันใดเราก็พึงทำลายตะข่ายคือตันหาและทิฐิไม่ย้อนกลับมาฉะนั้นพอคิดอย่างนี้เสร็จเนี่ยนะได้อาจารย์ไฟกับอาจารย์ปลาก็เลยสละราชสมบัติเลยนะออกผนวดปรารบวิปัสนากระทำให้แจ้งปัจเจกับโพธิยานแล้วก็แปลงคาถาอุทานว่าบุคคลบุคคลพึงทำลายสังโยชน์คือเครื่องผูกทั้งหลาย เหมือนปลาทำลายตะข่ายหนีไปเหมือนไฟไม่หวนกลับมาสู่ที่ไหม้แล้วเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอรนนัะคือเมื่อใดที่จะพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายจนสิ้นเยื่อใยจนสิ้นสังโยชน์ในสังขารทั้งปวงเนี่ยนะเหมือนกับว่าไฟที่ไหม้ไหม้ไปแล้วไม่ยกไม่ต้องย้อนกลับมาไหม้เพราะว่าทรรมกิจเหล่านั้นเสร็จแล้ว ในอัธกถาที่อธิบายถึงไฟไหม้ว่าที่ที่ไฟไหม้แล้วเนี่ยสถานที่ที่ถูกไฟไหม้เสร็จแล้วอธิบายว่าไฟย่อมไม่หวนกลับไปสู่สถานที่ไหม้แล้วคือไม่มาในที่ไหม้แล้วนั้นโดยฉันใดบุคคลไม่กลับไปสู่ที่แห่งกรามมรรคที่ไฟคือมัรคยานไม่แล้วไม่มาในที่แห่งกรามมรรคนั้นโดยแท้ คือที่ใดที่โสดาปฏิมัติเนี่ยนะทำปริญญาเสร็จแล้วที่นั่นไฟคือสังโยชน์สกายะทิถิวิจิกิจฉาธธสีลพัตะปรามาสังโยชน์ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลุกไหม้อีกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอริยมรรคยานเผาเสร็จแล้วถ้าที่ตรงใดสกท า, าคามีมัคคเผาแล้วที่ตรงนั้นการมราค้ากับปฏิฆะอย่างหยาบก็ไม่เกิดเนี่ยนะที่ใดที่อนาคามีมัคคเผาเสร็จแล้วที่ตรงนั้นสังโยชน์คือ การมาราค้าและปฏิค่าอย่างละเอียดก็ไม่เกิดถ้าที่ใดอารหัตตะมักเผาเสร็จแล้วเนี่ยนะที่ตรงนั้นบาบากุศรลธรรมทั้งหลายก็ไม่เกิดอีกโดยประการทั้งปวงในอัตตกะถาอธิบายว่าคำวาสังโยชนี่มีอยู่10ประการคือการมาราค้าสังโย์ ปฏิฆาสังโยชน์มานะสังโยชน์ทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจชาสังโยชน์ศีลภัตตปรามาสะสังโยชน์ภวราฆาสังโยชน์อิสาสังโยชน์มัชชริยะสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์เนี่ยนะคำว่าทําลายแล้วซึ่งสังโยชน์ทั้งหลายความว่าทําลายทําลายพร้อมละบันเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความไม่มีซึ่งสังโยชน์สิบประการ ถามว่าโดยปกติสังโยชน์นั้นเกิดเกิดที่ไหนก็เกิดที่ขันห้าเมื่อพิจารณาอุปาทานขันห้าโดยรอบครอบโดยละเอียดทุ่นทีด้วยอํานาจสมถะและวิปัสนาไฟคือสมถะวิปัสนาแพดเผาสังขารธรรมทั้งหลายสังโยชน์ก็ไม่เจริญโงกเงยในที่ที่วิปัสนาพิจารณาโดยเฉพาะวิปัสนาระดับวิปัสนาระดับโสดาปติมักขึ้นไปพิจารณาสังขารธรรมเหล่าใดสังขารธรรมเหล่านั้น ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกเลยปลาทําลายตะข่ายเนี่ยนะทำลายตะข่ายคําว่าตะข่ายก็คือตะข่ายสมัยใหม่ก็ใช้อะไรทำสมัยก่อนก็ใช้ได้เนี่ยนะสมัยใหม่ก็ใช้แบบ เ, เชือกเอ็นเนี่ยนะเชือกเอ็นตะข่ายที่ทําด้วยได้ก็ยังมีอยู่ทำด้วยเอ็แบบโดยมากสมัยใหม่ทําด้วยเอ็นเนี่ยนะเขบอกว่าปลาที่เที่ยวไปในน้ํา ฉีกแวกตะข่ายขาดลอดออกไปเที่ยวยว่ายแหวกหรือแวกไหว้ไปรักษาบำรุงเยียวยาแต่คิดไปแล้วเนี่ยนะปลาน้อยตัวนะั้นที่จะทําลายตะข่ายของในพรานหรือพรานเบ็ดได้ฉันใดมูสัตว์ทั้งหลายที่ทําลายตะข่ายคือตันหาและทิฏฐิก็น้อยฉันนั้นเพราะนั้นพระปเจกพระพุทธเจ้านั้นละขายคือตันหาสละขายคือทิฏฐิเสียแล้วทําลาย เหมือนปลาทำลายตะข่ายฉะนั้นเพราะเป็นผู้ละขายคือตัญหาสละขายคือทิฐิได้แล้วพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงไม่ค่้องไม่ติดไม่พัวพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธะะในทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังคือในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบรมอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งเป็นผู้ออกไปสลักออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้อง มีใจอันทำให้ไม่มีเขตแดนอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเหมือนปลาทําลายตะข่ายฉะนั้นเพราว่าด้วยอํานาจวิปัสสนาด้วยอํานาจอริยมรรคพิจารณาจนถึงว่ารูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อีกต่อไปเสียงเปร็นรสโพธะทั้งหลายไม่เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ไม่มีอารมณ์อะไรอะไรที่จะเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลธรรมของพระประเจคพระพุทธเจ้าอีกต่อไป คำว่าเหมือนไฟไม่ลามไปไม่ได้กลับมาความว่าถ้าประเจกษัมริยพุทธเจ้านั้นไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละได้แล้วด้วยโสดาปติมัคนะกิเลสที่ละด้วยโสดาปติมัคไม่ว่าจะเป็นสกายทิฐิสังโยตวิจิกิจฉาสังโย์สิรพัตตปรามาสสังโยตอิสาสังโยตมัชยริยะสังโยตพระโสดาบันก็ ด้วยอนุภาพแห่งโสดาปฏิมักก็ละได้เด็ดขาดไม่ไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละได้แล้วด้วยสกทาคามีมักคือกิเลสอย่างหยาบไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละแล้วด้วยอนาคามีมักคือกิเลสอย่างละเอียดไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละได้แล้วด้วยอรหัตตมักคือกิเลสทั้งปวงเลยนะถูกอรหัตตมักขจัดได้เรียบร้อยแล้ว เหมือนไฟไม่เชื้อยญ้าและไม้ลามไปแล้วก็ไม่กลับมาฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเหมือนไฟไม่ลามไปไม่ได้กลับมาเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรกเนี่ย น, นะถ้าหากว่ามองว่าสังขารธรรมหรืออุปาทานขันห้าเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับเชื้อเพลิงทั้งหลายเนี่ย น, นะสมมติว่าที่ที่ใดที่มันมีเยื่อยใอยยางเหนียว ที่ไฟจะต้องไปเผาะที่ตรงนั้นก็เหมือนกับสซมูไทยมันก็เผาซะที่ตรงนั้นเหลือแต่ซากนะเหลือแต่ซากแล้วก็ไฟไม่ย้อนกลับไปไม่ต้องปรับกลับไปไหมอีกฉันใดอย่างเช่นสังขารอุปาทานขันห้าของพระอรหันต์ทั้งหลายอุปาทานขันห้านั้นก็ไม่ต้องไปละกิเลสอีกต่อไปหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นอุปาทานขันห้าของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ต้องเจริญวิปัสสนาเพื่อละตันหาและทิฏฐิในอุปาทานขันห้าของพระองค์อีก ต่อไปเพราะพระองค์นั้นพิจารณาะละเอียดรอบครอบถีท่วนโดยอนุปัสนาทั้งหลายด้วย อ, อริยมรรคทั้งหลายทำกิจด้วยอริยมรรคเสร็จแล้วก็ไม่ต้องย้อนกลับมาพิจารณาเพื่ออริยมรรคอีกเหมือนไฟที่ไหม้ไหม้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องย้อนกลับมาไหม้อีกชั้นใดอริยมรรคของพระองค์ที่ทากิจเสร็จแล้วก็ชั้นนั้น